6. ภูริทัตตชาดกว่าด้วยพระเจ้าภูริทัตเหล่านาคมาเมื่อจะประกาศข้อความนี้จึงกราบทูลพระราชาว่า รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในนิเวศของท้าวทตราฐะรัตนะทั้งหมดจงมาสู่พระราชนิเวศของพระองค์ขอพระองค์จงพระราชทานพระราชธิดาแก่พระราชาพระเจ้าพรหมทัตครั้นได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าไม่ว่าการไหนๆพวกเราไม่เคยทำการวิวากับพวกนาคเลยพวกเราจะทำการวิวาอันไม่สมควร น, นั้นได้อย่างไร แล้วนาคมานพได้ฟังพระดารัตนั้นจึงขูพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งมนุษย์พระองค์จําต้องเสียสละพระชนชีพหรือแคว้นเป็นแน่เพราะเมื่อ น, นากโกรธแล้วคนเช่นพระองค์จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นานข้าแต่พระองค์ผู้ส ม, มุติเทพพระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์แต่มาดูหมิ่นพญานาคทตรัฐผู้มีฤทธิ์ ซึ่งเป็นลูกในอกของท้าวรุณะนาคราที่เกิดอยู่ใต้แม่น้ำยมุนาพระเจ้าพรหมทัตตรัสว่าเราไม่ได้ดูหมินเท้าทัตตรถ ะ, ะผู้ทรงยศเพราะท้าะทัตตรถะเป็นใหญ่แม้แห่งนาคเป็นอันมากถึงจะเป็นพญานาคผู้มีอนุภาพมากก็ไม่สมควรกับทิดาของเราส่วนเราเป็นกษัตริย์ของชาวแคว้นวิเทหะและนางสมุทชาธิดาของเราก็เป็นอภิชาตบุตร ท้าวทตรัฐะเมื่อทรงสั่งให้ประชุมบริษัทจึงตรัสว่าพวกนาคกรรพลอสศดรจงเตรียมตัวจงไปประกาศให้หนาคทั้งปวงรู้กันจงพากันไปกรุงพาราณสีแต่อย่าได้เบียดเบียนใครๆท้าวทตาัตรัฐะตรัสบอกนาคมานบเหล่านั้นว่านาคทั้งหลายจงแผ่พังพาลห้อยอยู่ที่นิเวศบึงถนนทางสีแพร่งยอดไม้และเสาระเนียด แม้เราก็จะเนรมิตตัวให้ใหญ่ขาวล้วนวงล้อมเมืองใหญ่ด้วยขนดหางทําความกลัวให้เกิดแก่ชาวกาสีพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่านาคทั้งหลายได้ฟังคําของท้าวทตรัฐหะแล้วต่างก็แปลงเพศเป็นหลายอย่างพากันเข้าไปยังกรุงพาราณสีแต่ไม่ได้เบียดเบียนใครเลยนาคเหล่านั้นต่างพากันแผ่พังพานห้อยอยู่ที่นิเวศ บึงถนนทางสีแพร่งยอดไม้และเสารเนียดพวกหญิงสาวจำนวนมากได้เห็นนาคเหล่านั้นแผ่พังพานห้อยอยู่ตามที่ต่างๆหายใจฟู่ฟูอยู่ต่างก็พากันร้องคร่ำครวญชาวกรุงพาราณสีต่างก็สะดุง้งตกใจกลัวเดือดร้อนพากันไปประชุมกอดอกร้องทุกว่าขอพระองค์จงทรงพระราชทานพระราชธิดาแก่พระราชาเถิด พรามเนสาถะไปยังสำนักพระโพธิสัตว์ถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงมีอกผึ่งผายนั่งอยู่ในถ้ำกลางป่าอันเต็มไปด้วยดอกไม้นารีสิบคนทรงเครื่องประดับสร้อยสังวานทองคำนุ่งผ้าสวยงามยืนว่าอยู่เป็นใครท่านเป็นใครมีแขนใหญ่รุ่งเรืองอยู่ในถ้ำกลางป่าเหมือนไฟอันลุกโชนด้วยเปลยงท่านคงจะเป็นผู้มีศักย์ใหญ่คนใดคนหนึ่ง เป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีอนุภาพมากพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นตรัสบอกว่าตนเป็นพญานาคว่าเราเป็นนาผู้มีฤทธิเดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าแม้ว่าเราโกรธแล้วจะพึงขบกัดชนบทที่เจริญให้แหลกลานไปได้ด้วยเดชเรามีมารดาชื่อสมุทชาและบิดาชื่อทตร ะ, ะเราเป็นน้องคนเล็กของสุทัศนะ คนทั้งหลายรู้จักเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์ตรัสบอกที่อยู่ของตนว่าท่านจงมองดูห้วงน้ำลึกน่ากลัวไหลวนอยู่ทุกเมื่อนั่นเป็นที่อยู่อันดีเลิศของเราลึกหลายร้อยชั่วคนท่านอย่า ก, กลัวเลยจงเข้าไปยังแม่น้ำยมุนาที่มีน้ำสีเขียวไหลามาจากกลางป่าจอแจไปด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนเป็นที่อยู่อันกเกษมสาราญของพวกผู้มีอาจารวัต พระโพธิสัตว์พาพราหมณ์กับบุตรทั้งสองไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนายืนอยู่ที่ริมฝั่งแล้วกล่าวว่าพราหมณ์ท่านพร้อมด้วยบุตรและพัญญาไปถึงหน้าพิภ พ, พ, พแล้วเราจะบูชาท่านด้วยกรามทั้งหลายท่านจะได้ความสุขในหน้าพิภ พ, พ, พนั้นพราหมณเนสาทะพนานาสมบัติของพระโพธิสัตว์ว่าแผ่นดินมีพื้นราบเรียบรอบด้านมีกฤษณาเป็นอันมาก ดาระดาษไปด้วยหมูแมลงค่อมทองมีหญ้าสีเขียวุ่มอุดมสวยงามแนวป่าไม้อันน่ารื่นรมสะโบกครนีที่เนรมิตขึ้นด้วยดีน่ารื่นรมใจมีดอกปทุมบานสะพรั่งร่วงหล่นลงดาราดาษมีเสาแปดเหลี่ยมที่ทาไว้ดีแล้วทุกต้นล้วนสำเร็จด้วยแก้วไพลทูลปราศาสมีเสาพันต้นสรงแสงแวววาวเต็มไปด้วยนางหน้ากัญญา พระองค์เป็นผู้เข้าถึงที่พยะวิมานอันกว้างขวางประเสมสําราเรื่นรมประกอบไปด้วยความสุขยังเลือเลิศด้วยบุญของตนพระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของเท้าสหาสนนยเพราะฤทธิ์อันยิ่งให้ภัยบุ์ของพระองค์นี้ก็เหมือนกับของเท้าสักกะผู้รุ่งเรืองพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าอนุภาพของเท้าสักกะผู้รุ่งเรืองใครๆไม่พึงบรรลุได้แม้ด้วยใจ ยศของเราทั้งหลายย่อมไม่ถึงเสี้ยวของเท้า ว, วัสวัตดีผู้รับใช้พระอินทร์พระโพธิสัตว์ตรัส บ, บอกความปรารถนาของตนว่าเราปรารถนาวิมานของเหล่าเทวดาผู้ดำรงอยู่ในความสุขนั้นจึงเข้าไปจำอุโบสถศีล น, นอนอยู่บนจอมปลวกพรามเมื่อจะลากลับจึงกล่าวว่าข้าพระองค์พร้อมด้วยบุตรเข้าไปป่าสแสวงหาเนื้อพวกญาติาก็ยังไม่ทราบว่า ข้าพระองค์นั้นตายแล้วหรื อ, อยังมีชีวิตอยู่ข้าพระองค์ขอทูลลาพระภูริทั์ผู้ทรงยศผู้เป็นพระโอรสและพระธิดาแควนกาสีพระองค์ทรงอนุญาตแล้วก็จะได้ไปเยี่ยมญาติลำดับนั้นพระโพธิสัตว ร, ร์ตรัสว่าแท้จริงนั่นเป็นความพอใจของเราหนอที่ให้ท่านอยู่ในสำนักของเราเพราะว่ากามทั้งหลายเช่นนี้จะหาได้ไม่ง่ายในหมู่มนุษย์ ถ้าท่านไม่ปรารถนาจะอยู่เราจะบูชาท่านด้วยกลามารมเราอนุญาตให้ท่านไปเยี่ยมญาติญาติได้โดยความสวัสดีพระโพธิสัตว์ทรงให้แก้วมณีแก่พรามแล้วตรัสว่าเมื่อท่านทรงทิพยมณีนี้อยู่ย่อมจะได้ทั้งปัสสุสัตว์และลูกๆขอท่านจงถือเอาทิพยามณีนี้ไปเถิดจงปราศจากโรคภัยประสบสุขเถิดพรามพรามจึงกล่าวว่า ข้าแต่พระภูริทัตรพระดำรัสของพระองค์เป็นกุศลข้าพระองค์ยินดียิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วจากโบสถ์ไม่ปรารถนาการมทั้งหลายพระโพธิสัตว์ตรัสว่าหากพรหมจันทร์มีการแตกทำลายกิจที่ต้องทำด้วยพวกข้าศัพย์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นท่านอย่าได้มีความหวั่นใจควรมาหาเราเราจะให้ทรัพย์แก่ท่านมากๆพราหมณเนสาทะกล่าวว่าข้าแต่พระภูริทัต พระดำรัสของพระองค์เป็นกุศลข้าพระองค์ยินดียิ่งนักข้าพระองค์จะกลับมาอีกถ้ามีความต้องการพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระภูริทัตได้ฟังคำนี้แล้วจึงใช้ให้ชนสี่คนไปส่งว่าท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นมาไปเถิดจงเตรียมตัวพาพรามไปส่งโดยเร็วชนทั้งสี่ที่พระภูริทัตใช้ให้ไปส่ง ฟังพระดำรัสของพระภูริทัตแล้วลุกขึ้นพาพรามไปส่งจนถึงโดยเร็วพรามเนสาทะกล่าวกับพรามอัลลัมปญนะว่าแก้วมณีที่สมมติกันว่าเป็นมงคลเป็นของดีเป็นเครื่องปลื้มใจน่ารื่นรมใจเกิดแต่หินสมบูรณ์ด้วยลักษณะที่ท่านถืออยู่นี้ใครให้มาลำดับนั้นพรามอ์ลลัมปญนะกล่าวว่า แก้วมณีนี้พวกนางนาคมานวิกาประมาณพันล้วนแต่มีในตาแดงวงล้อมไว้โดยรอบเราเดินทางไปได้แก้วมณีนี้มาในวันนี้พราหมเนาธะประสงค์จะลวงพรามอาลัมปญนะประกาศโทษของแก้วมณีประสงค์จะรับเป็นของตนจึงเดียกกล่าวว่าแก้วมณีอันเกิดแต่หินนี้ที่หามาได้ด้วยดีที่บุคคลบูชานับถือวางไว้ เก็บไว้เป็นอย่างดีทุกเมือ่อพึงทําประโยชน์ทุกอย่างให้สําเร็จได้เมื่อบุคคลปราศจากการระมัดระวังในการเก็บรักษาหรือในการวางไว้เก็บไว้แก้วมณีที่เกิดแต่หินนี้ที่บุคคลหามาได้แล้วไม่ใส่ใจย่อมนํามาซึ่งความพินาศคนผู้ไม่มีกุศลไม่ควรประดับแก้วมณีทิพนี้เราจะให้ทองคําร้อยแท่งแก่ท่านท่านจงให้แก้วมณีนี้แก่เราเถิด ลำดับนั้นพราหมอลัมปะยานะกล่าวว่าแก้วมณีของเรานี้ไม่ควรแลกเปลี่ยนด้วยโครหรือรัตนะเพราะแก้วมณีอันเกิดแต่หินนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะฉะนั้นเราไม่ควรแลกเปลี่ยนเลยพราหมเนสาทะกล่าวว่าถ้าท่านไม่แลกเปลี่ยนแก้วมณีด้วยโครหรือรัตนะเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะแลกเปลี่ยนแก้วมณีด้วยอะไรเราถามแล้วขอท่านจงบอกข้อนั้นแก่เรา พรามอลมปาปยนักล่าวว่าผู้ใดบอกนาคใหญ่ผู้มีเดชยากที่บุคคลจะล่วงเกินได้แก่เราเราจะให้แก้วมณีอันเกิดแต่หินนี้อันเป็นเหมือนรุ่งเรืองด้วยเดชแก่ผู้นั้นไปพราหมเนสาทะกล่าวว่าครุตัวประเสริฐหรืออะไรหนอแปลงเพศเป็นพราหมมาแสวงหานาคประสงค์จะนำไปเป็นภักษาของตนพราหมอลมปยนะกล่าวว่าท่านพราหม เราไม่ได้เป็นพยาครุดเราไม่เคยเห็นครุดเราเป็นผู้สนใจด้วยงูพิษชนทั้งหลายรู้จักเราว่าเป็นหมองูพรามเนสาทากล่าวว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรท่านเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนในเรื่องอะไรจึงไม่ยำเกรงนาบพรามอลมปายณะนั้นเมื่อจะแสดงพลังของตนจึงกล่าวว่าครุดมาบอกวิชาหมอ ง, งูอย่างยอดเยี่ยม เกเรษีโกศยโครผู้อยู่ป่าประจำประพฤตตบะมาเป็นเวลานานเราเข้าไปหาฤรศีตนหนึ่งบรรดาเรษีผู้บำเพ็ญตนอยู่ในระหว่างภูเขาได้บำรุงท่านด้วยความเคารพไม่ได้เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นท่านบำเพ็ญวัดและพรหมจรรย์เป็นผู้มีโชคเมื่อได้สมาคมกับเราจึงสอนมนติพให้แก่เราด้วยความรัก เราได้รับการสนับสนุนในมนนั้นจึงไม่กลัวหนกักเราเป็นอาจารย์ของพวกหมอขจัดพิษชนทั้งหลายรู้จักเราว่าอลัมปายนะพราามเนสาธาะได้ฟังดังนั้นเมื่อปรึกษากระบุตรจึงกล่าวว่าพ่อสมมาทัตพวกเรารับแก้วมณีไว้สิเจ้าจงเข้าใจเราทั้งสองอย่าละสิริที่มาถึงตนด้วยอาชยาตามความชอบใจสิ สมมทัตผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ในสาทะกล่าวว่าพ่อพราหมณ์ผู้ริทัศน์าคาราชบูชาคุณพ่อผู้ไปถึงที่อยู่ของตนเพราะเหตุไรคุณพ่อจึงปรารถนาที่จะประทุษร้ายต่อมิตรผู้ทําความดีเพราะความหลงอย่างนี้เล่าถ้าคุณพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัศน์ก็คงจะให้คุณพ่อจงไปขอเถิดพระภูริทัศน์คงจะให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่คุณพ่อ พรามเนสาทะกล่าวว่าโสมุทัตการกินของที่ถึงมือถึงภาชนะหรือตั้งอยู่เบื้องหน้าเป็นความประเสริฐประโยชน์ที่เห็นประจักษ์อย่าได้ล่วงเลยเราไปเลยโสมุทัตกล่าวว่าคนผู้ประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลจะต้องหมกไหม้อยู่ในนรกอันร้ายแรงแผ่นดินย่อมสู่ผู้นั้นหรือถึงมีชีวิตอยู่ก็สูบสีดถ้าพ่อต้องการทรัพย์ลูกเข้าใจว่า พ่อจะต้องประสบเวรที่ตนได้ทาไวในมิช้าพราหมณเนสาทะกล่าวว่าพราหมณ์ทั้งหลายบูชามหายัน n อย่างนี้แล้วย่อมบริสุทธิ์ได้เราจากบูชามหายัันก็จะพ้นจากบาปได้อย่างนี้โสมทัตกล่าวว่าเชิญเถิดบัดนี้ลูกจะขอแยกทางไปวันนี้ลูกจะไม่ขออยู่ร่วมกับพ่อจะไม่ขอเดินทางร่วมกับพ่อผู้ทากรรมหยาบช้าอย่างนี้สักเก้าเดียว พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าโสมทัตผู้เป็นหูสหูตรครั้นกล่าวคำนี้กับปิดาประกาศกับเทวดาทั้งหลายแล้วได้หลีกไปจากที่นั้นพราหมณเนศทะพาพราหมณ์อารามปายณะไปเห็นพญานาคภูริทัตนอนขอนดอยู่บนจอมปลวกจึงชี้มือบอกว่าท่านจงจับนาคใหญ่นั้นจงส่งแก้มณีนี้มาให้แก่เรา นาคใหญ่นี้มีผิวพันธ์ดังสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงกายนั้นปรากฏดังกองปุยฝ้ายนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นท่านจงจับเอาเถิดพรามพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพรามอลมปายณนะเอาทิพยโอสถลูบทาตัวและไร่หมนป้องกันตัวอย่างนี้จึงสามารถจับพญานาคนั้นได้ลำดับนั้น นาสุทัศนะพระโอรสอง์โตของพระนางสมุทชาทูลถามมารดาว่าเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์ผู้ให้สําเร็จสิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงมาเฝ้าแล้วอินสีของพระแม่เจ้าจึงไม่ผ่องใสพระพักของพระแม่เจ้าก็เกรียมดำเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์เช่นนี้พระพักของพระแม่เจ้าก็เกรียมด ำ, ม เ, เ, มดำเหมือนดอกบัวที่ถูกขยี้อยู่ในมือใครด่าทอท่านหรือ พระแม่เจ้ามีเวทนาอะไรหรือเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์ผู้มาเฝ้าพระพักของพระแม่เจ้าเกรียมดำเพราะเหตุไรพระนางสมุทชาตราัสบอกแกสุทัศนะว่าลูกรักแม่ได้ฝันล่วงมาได้หนึ่งเดือนแล้วว่ามีชายมาตัดแขนของแม่ดูเหมือนจะเป็นข้างขวาถือเอาไปทั้งที่ยังเปื้อนเลือดเมื่อแม่กาลังร้องไห้อยู่ตั้งแต่แม่ได้ฝันเห็นแล้ว พ่อสุทัศนะเจ้าจงรู้เถิดว่าแม่ไม่ได้ความสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระนางสมุทชาคั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็คร่ำครวญอยู่ว่าเมื่อก่อนพระภูริทั์ผู้ที่นางน้ากัญญาผู้มีร่างกายสวยงามคลุมด้วยข่ายทองคําพากันบำเรอร์ยังไม่ปรากฏตัวเมื่อก่อนพระภูริทั์ผู้ซึ่งเสนาทั้งหลายถือดาบอันคมกล้าแวดล้อมดังดอกกัิกา บานสะพรั่งยังไม่ปรากฏตัวเอาละบัดนี้เราจะไปที่อยู่ของพระภูริทั์จะไปเยี่ยมเยือนน้องชายของเจ้าผู้ดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าภัญญาทั้งหลายของหน้าภูริทัตครั้นได้เห็นพระมารดาของหน้าภูริทัตกำลังเสด็จมาจึงพากันเข้าประคองแขนคร่าครวนว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ตลอดหนึ่งเดือนล่วงไปแต่วันนี้พวกหม่อมฉันยังไม่ทราบว่าพระภูริทัศน์ผู้ทรงยศพระโอรสของพระแม่เจ้าสิ้นชีพแล้วหรือว่ายังดำรงพระชนอยู่เมื่อพวกเราไม่เห็นพระภูริทัศน์ก็จะกระทมทุกข์สิ้นกาลนานเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าตายเห็นแต่รังที่ว่างเปล่าเมื่อพวกเราไม่เห็นพระภูริทัศน์ก็จะกระทมทุกข์สิ้นกาลนานเหมือนแม่นกเขา ที่ลูกถูกฆ่าตายเห็นแต่รังที่ว่างเปล่าเมื่อพวกเราไม่เห็นพระภูริทัตก็จกหมนไหม้ไปได้วยทุกขสิ้นกาลนานเหมือนนางนกจั ก, กระภาคบนเปลือกตมที่ปราศจากน้ำเป็นแน่เหมือนเบ้าหลอมทองของพวกช่างทองย่อมไหม้อยู่ข้างในหาไหมข้างนอกไหมชั้นใดพวกเราเมื่อไม่เห็นพระภูริทัตก็ย่อมมนไหม้ด้วยความโศกฉันนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าบุตรและพันยาในที่อยู่ของพระภูริทัตต่างพากันล้มนอนระเกะระ ก, กะเหมือนต้นรังที่ถูกลมพัดทำให้ย่อยยับไปครั้นได้ยินเสียงเกือกกล้องของบุตรและพันยาเหล่านั้นในที่อยู่ของพระภูริทัตแล้วนาคอริธะและสุโพคะต่างก็วิ่งวุ่นไปในระหว่างพูดขึ้นว่าข้าแต่พระแม่เจ้า จงเบาพระทัยเถิดอย่าเศร้าโศกเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาคือย่อมเกิดย่อมตายการตายและการเกิดนี้เป็นความแปรพันธ์ของสัตว์นั้นพระนางสมุทชามานดากล่าวว่าลูกรักถึงแม่จะทราบว่าสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อไม่เห็นพระภูริทัตแม่ก็ได้รับความเศร้าโศกพ่อสุทัศนะเจ้าจงรู้ไวเถิด ถ้าคืนวันนี้เมื่อยังไม่เห็นพระภูริทัตแม่เข้าใจว่าจะต้องตายแน่สุทัศนกุมารกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าจงเบาพระไทยเถิดอย่าเศร้าโศกเลยลูกทั้งหลายจากนาท่านพี่ภูริรทั์มาจากเที่ยวไปตามหาท่านพี่ภูริทัตตามทิศน้อยใหญ่ที่ภูเขาซอกเขาบ้านและนิคมพระแม่เจ้าจะได้ทรงเห็นท่านพี่กลับมาภายในเจ็ดวัน พรามอาลาปายนะกล่าวว่านาคหลุดมือจากมือเลือ้อยไปฟุบลงที่เท้าเดกระทันหันข้าแต่พ่อคุณพ่อถูกมันกัดเอากระมังหนอคุณพ่ออย่ากลัวเลยจงได้รับความสุขเถิดสุทัศนกุมารผู้ปลอมตัวเป็นดาบทตามหานาคผูริทัตพี่ชายกล่าวว่านาคตัวนี้ไม่สามารถจะทำความทุกข์อะไรให้เราได้เลย หมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่มีคนไหนจะดียิ่งกว่าเราพราหมณ์อลาปายนะกล่าวว่าใครกันหนอเงอะงะแปลงเพศเป็นพราหมณ์มายังสำนักบริษัทอวดอ้างยุทธการที่ดีขอบริษัทจงฟังเข้าพระเจ้าสุทัศนกุมารกล่าวว่าหมองูท่านจงต่อสู้กับเราด้วยนาคเราจะต่อสู้กับท่านด้วยลูกเขียดในการรบของเรานั้น เราทั้งสองจงพนันกันด้วยซับเพียงห้าพันพราหม์อลาปายณะกล่าวว่ามานพเราเท่านั้นเป็นผู้มั่งคั่งด้วยรั์ท่านเป็นคนจนใครหนอจะเป็นคนข้ามประกันท่านและอะไรเป็นเดิมพันของท่านเล่าส่วนข้าพเจ้ามีทั้งเดิมพันและมีทั้งคนค้าประกันเช่นนั้นในการขันสู้ของเราทั้งสองนั้นเราทั้งสองจงพนันกันด้วยซับเพียงห้าพัน สุทัศนกุมารเข้าไปฝ้าพระราชากราบทูลว่ามหาปพิธขอพระองค์โปรดสดับคําของอัตมาภาพขอมหาปภิธจงทรงพระเจริญขอมหาปพิธผู้ทรงเกียรติจงทรงคําประกันทรัพย์าพันให้อัตมาภาพเถิดพระราชาตรัสว่านี่เป็นของตกค้างมาแต่บิดาหรือท่านก่อมันขึ้นมาเองท่านพราหมณ์เพราะเหตุไรท่านจึงขอทรัพบเข้าพระเจ้ามากมายอย่างนี้ สุทัศนคุมารกราบทูลว่าพราหมอลาปายนะปรารถนาจะต่อสู้กับอัตมภาพด้วยนาคอาตมภาพจะให้ลูกเขียดกัดพรามอลัมปายนะมหาปพิธผู้ทรงผดุงรัฐให้เจริญขอเชิญพระองค์ผู้ทรงคับข้างไปด้วยหมูกษัต์เสด็จออกไปทอดพระเนตรนาคในวันนี้เถิดพรามอลมปายนะกล่าวว่ามานพเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวาทศิลป์เลย แต่ท่านมัวเมาศิละปะเกินไปจึงไม่ยำเกรงหนา้าสุทัศนกุมารกล่าวว่าท่านพราหมณ์แม้อัตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวาทศิลป์แต่ท่านกล้าลวงประชาชนด้วยหน้าที่ปราศจากพิษประชาชนจะพึงรู้เรื่องนี้เหมือนอัตมาภาพรู้จักท่านท่านจากไม่ได้แกลบสักกำ ม, มือหนึ่งเลยท่านจะได้ทรย์แต่ที่ไหนเล่าอลัลลมปายณนะพราหมณ์อาลามปายณะกล่าวว่า ท่านคนสกปรกม้วนชดารุ่มร่ามนุ่งห่มหมนังสัตว์ครุขระเหมือนคนเงอะงะเข้ามายังบริษัทซึ่งดูมิ่นหนากผู้มีพิษถึงอย่างนี้ว่าไม่มีพิษท่านเข้ามาใกล้แล้วนั่นแหละจึงจะรู้นากนั้นได้ว่าเต็มไปด้วยเดชร้ายแรงข้าพเจ้าแน่ใจว่านากตัวนี้จะทําท่านให้เป็นเหมือนกองเท่าไปทันทีสุทัศนกุมารกล่าวว่า งูเรือนงูปลางูเขียวต่างหากมีพิษแต่หน้าหัวแดงไม่มีพิษเลยพราามอลัลลามปายณะกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้ยินมาจากเหล่าพระอรหันต์ผู้สำรวมผู้บําเพ็ญตบะอย่างนี้ว่าทายกทั้งหลายให้ทานในโลกนี้แล้วย่อมไปสวรรค์ท่านจงให้ทานเสียแต่ยังมีชีวิตเถิดถ้าท่านมีความประสงค์จะให้นาคนี้มีฤทธิ์มากมีเดชยากที่จะใครจะล่วงเกินได้ ข้าพเจ้าจะให้มันฉกท่านมันจะทำท่านให้เป็นเท่าไปได้สุทัศนกุมารกล่าวว่าสายแม้เราก็ได้ยินมาจากเหล่าพระอรหันต์ผู้สำรวมผู้บําเพนตบะย่างนี้ว่าถ้ายกทั้งหลายให้ทานในโลกนี้แล้วย่อมไปสวรรค์ท่านนั่นแหละเมื่อยังมีชีวิตอยู่จงให้ทานถ้าท่านมีความประสงค์จะให้ลูกเขียชื่อว่าอา จ, จิมุขีนี้เต็มไปด้วยเดชร้ายแรง เราจะให้ลูกเขียดนั้นกัดท่านมันจะทำท่านให้เป็นเท่าไปได้นางเป็นที่ดาของท้าวทตตารท ะ, ะเป็นน้องสาวต่างมารดาของเรานางอ จ, จิมุขีเต็มไปด้วยเดชร้ายแรงจงกัดท่านพรมทัตมหาปพิธขอพระองค์ได้โปรดทราบไว้เถิดหากอัตมาภาพหยดพิษลงบนแผ่นดินต้นยญ้าละดาวันและรุกชาติที่เป็นยาทั้งหลาย ก็จะพึงเฉาแห้งไปโดยไม่ต้องสงสัยพระมทัตมหาปพิธขอพระองค์ได้โปรดทราบไว้เถิดหากอัตมาภาพจะคว้างพิษขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะไม่ตกหิมะก็จะไม่ตกตลอดเจ็ดปีพระมทัตมหาปพิธขอพระองค์ได้โปรดทราบไว้เถิดหากอัตมาภาพจะหยดพิษลงไปในแม่น้าฝูงสัตว์คือปลาและเต่าที่เกิดในน้าต่างก็จะพึงล้มตายไปทั้งหมด พรามเนสาธะกล่าวว่าเมื่อเรากำลังอาบน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกซึ่งขังอยู่ที่ท่า น, น้ำปยาคะมีพูดอะไรมาฉุดเราลงสู่แม่น้ำยมุนาอันลึกสุโภคัคกุมาร น, น้องชายนาภูริทัตกล่าวว่าพญานาคตัวประเสริฐใดที่เป็นใหญ่ในโลกเรืองยศปกคกลุมกลุมพารณสีไว้โดยรอบเราเป็นลูกของพญานาคตัวประเสริฐนั้นพราม นาทั้งหลายเรียกเราว่าสุโภคะพราหมเนสาทะกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคผู้ประเสริฐเป็นเจ้าแห่งชาวกาสีเป็นใหญ่แห่งเทวดาพระบิดาของท่านมีศักดิ์ดาบากผู้หนึ่งและพระมารดาของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าได้ในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านไม่สมควรฉุดแม้เพียงแต่ธาตุของพราหมให้จมน้ําเลย สุโภคะกุมารกล่าวว่าเจ้าแอบแฝงต้นไม้ยิงเนื้อละมั่งที่มาเพื่อจะดื่มน้ำเจ้าเนื้อมายาตนนั้นถูกยิงแล้วยังวิ่งไปได้ไกลด้วยกํกำลังสอนเจ้าได้เห็นมันลม้มลงในป่าใหญ่เจ้านั้นจึงหาบเนื้อของมันเข้าไปหาต้นไทรในเวลาเย็นเป็นต้นไม้มีใบเหลืองรกะระกะไปด้วยรากกึกกล้องไปด้วยเสียงร้องของนกแขกเต้าและนกสาลิกา มีฝูงนกดูวาวส่งเสียงร้องระงมน่ารื่นรมใจมีหญ้าแพรกเขียวอยู่เป็นประจำพี่ชายของเรานั้นมีอนุภาพมากรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศแวดล้อมไปด้วยนางหน้ากัญญาทั้งหลายปรากฏตัวต่อท่านผู้อยู่ที่ต้นไซนั้นเขาบำเรอเจ้านั้นให้อิ่มเอิบด้วยสิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างเจ้ายัางประทุษร้ายต่อเขาผู้มิได้ประทุษร้ายเวรของเจ้านั้นมาถึงที่นี้แล้ว เจ้าจงรีบยื่นคอออกมาเราจะไม่ให้ชีวิตแก่เจ้าเมื่อเราลึกถึงเวรที่เจ้าก่อไว้ต่อพี่ชายของเราเราจะตัดศีรษะของเจ้าพราหมณเนสาทะกล่าวว่าพราหมณ์ถือการสาธยายเวทเป็นผู้ประกอบในการอ้อนวอนและเป็นผู้บูชาไฟจึงไม่ควรถูกฆ่าด้วยเหตุสามประการนี้สุโภคคกุมารกล่าวว่าเมืองของท้าวทตราชอยู่ภายใต้แม่น้ำยมุนา จรดภูเขาหิมพานซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำยมุนาล้วนไปด้วยทองคำงามรุ่งเรืองพี่น้องร่วมอุทรของเราล้วนแต่เป็นคนขึ้นชื่อลือชาพี่น้องของเราเหล่านั้นในเมืองนั้นจกว่าอย่างใดเจ้าก็จกต้องเป็นอย่างนั้นนากานาฤิธะกล่าวถ้อยคําที่ผิดว่าพี่สุโภคยันและพระเวททั้งหลายในโลกที่พวกพรามประกอบขึ้น ไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะฉะนั้นผู้ติเตียนพราหม์ผู้ที่ไม่ควรติเตียนชื่อว่าย่อมละเลยซั์เครื่องปลื้มใจและทมของสัตบุรุษพวกพราหม์ถือการสาทยายเวทพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ยึดกเกษตรกรรมและพวกสูตรยึดการรับใช้วันณะทั้งสี่นี้เข้าถึงการงานตามที่อ้างมาแต่ละอย่างกล่าวกันว่า มหาพรหมผู้มีอำนาจสร้างขึ้นไว้แม้พวกเทพเจ้าเหล่านี้เคท้าทาดาวิทาดาวรุณะกูเวระโสมะพระยมพระจัน์พระวายุและพระอาทิตย์ต่างก็บูชายันโดยวิธีการต่างๆและให้สิ่งที่น่าใคร้ทุกอย่างแก่พวกพราหมณ์ผู้สาทยาเยท้าอัจชุนะและพีมะเสนะผู้มีกำลังมากมีแขนตั้งพัน ไม่มีใครเสมอเหมือนในแผ่นดินยกธนูขึ้นได้ถึงห้าร้อยคันก็ได้ทรงบูชาไฟในครั้งนั้นพี่สุโภคะผู้เลี้ยงดูพวกพรามมาเป็นเวลานานด้วยข้าวและน้ำตามกำลังความสามารถมีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาอยู่ได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งพระเจ้ามุจลินสา ม, มารถบูชาเทวดาคือไฟผู้กินมากมีรศมีไม่ตาซามให้อิ่มน้าด้วยเนยใส ทรงบูชายันวิธีแก่เทวดาคือไฟผู้ประเสริฐแล้วได้ไปบังเกิดในทิพยคติพระเจ้าทุทีปะผู้มีอนุภาพมากมีพระชนมายุยืนถึงพันปีมีพระรูปงามน่าดูยิ่งทรงละแคว้นอันไม่มีที่สุดพร้อมทั้งเสนาเสด็จออกผนวดแล้วได้เสด็จไปสู่สวรรค์พี่สุโภคะพระเจ้าสาคระทรงปราบแผ่นดินอันมีสาครเป็นที่สุด รับสั่งให้ตั้งเสาเจเวตอันงามยิ่งล้วนแล้วด้วยทองคาทรงบูชาไฟแล้วได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งพี่สุโพคะแม่น้ำคงคาที่ไหลไปสู่มหาสมุทรเป็นที่สั่งสมนมสม้มย่อมเป็นไปด้วยอนุภาพของผู้ใดผู้นั้นคือพระเจ้าอังคะโลมาบาด ท, ทรงบูชาไฟแล้วเสด็จไปเกิดในพระนครของท้าวสหสไนเทวดาผู้ประเส ร, ริฐมีฤทธิ์มากเรืองยศ เป็นเสนาบดีของเท้าวาสวะในสวรรค์ชั้นดาวดึงกำจัดมนทินด้วยวิธีโสมายาคะได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเทพผู้ประเส ร, ริฐมีฤทธิ์มียศองค์ใดได้ทรงสร้างโลกนี้โลกหน้าแม่น้ำพาคีรถีภูเขาหิมะพานและภูเขาวิชะแม้เทพองค์นั้นก็ทรงได้บำเรอไฟในการนั้นภูเขามาลาคีรีก็ดีภูเขาหิมพานก็ดี ภูเขาคี้จักูดก็ดีภูเขาสุทัศนะก็ดีภูเขานิสภะก็ดีภูเขากากะเวรุก็ดีภูเขาเหล่านี้และภูเขาใหญ่อื่นๆว่ากันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างขึ้นไว้ชนทั้งหลายเรียกพราหมณ์ถือการสาธยายเวทผู้เข้าถึงคุณแห่งมนต์ผู้มีตาบะในโลกนี้ว่าผู้ประกอบการอ้อนวอนมหาสมุทรซั์ท่วมพราม์นั้น กู้กำลังตเตรียมน้ําอยู่ที่ฝั่งสมุทรเพราะฉะนั้นน้ําในสมุทรจึงเดิมไม่ได้วัตถุที่ควรบูชาทั้งหลายคือพวกพราหมณ์มีอยู่มากในแผ่นดินของท้าววาสวะพราหมณ์เหล่านั้นมีอยู่ทั้งในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้และทิศเหนือย่อมทําความรู้ให้เกิดพระโพธิสัตว์กล่าวฉเฉลยว่าพ่ออริ tha แท้จริงการเรียนรู้พระเวทเป็นทั่วของเหล่านักปราชญ์ แต่เป็นการกระทำของพวกคนพาลเหมือนอาการของพยับแดดเพราะเป็นของมองเห็นไม่ได้เสมอไปมีคุณทางหลอกลวงพาเอาคนมีปัญญาไปไม่ได้เวททั้งหลายมิได้มีเพื่อป้องกันคนผู้ประทุสร้ายมิตรผู้ล้างผลาญความเจริญเหมือนไฟที่บุคคลบําเรอแล้วย่อมป้องกันคนโทสัจริตให้ทากรรมชั่วไม่ได้ถ้าคนทั้งหลายจะนำเอาไม้ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมด พร้อมทั้งทรัพสมบัติของตนผสมกับย่าให้ไฟเผาไฟที่มีเดชอันไม่มีใครเทียมเผาสิ่งทั้งหมดแน่พออลิ้นสองแฉกใครเล่าจะพึงทำให้ไฟนั้นอิ่มได้นมสดแปลไปได้เป็นธรรมดาคือเป็นนมส้มแล้วก็กลับกลายเป็นเนยข้นฉันใดไฟก็มีความแปลไปเป็นธรรมดาได้ฉันนั้นไฟที่ประกอบด้วยความเพียในการสีไฟจึงเกิดไฟได้ ไม่ปรากฏว่าไฟเข้าไปอยู่ในไม้แห้งและไม้สดเมื่อคนไม่สีไฟไฟก็ไม่เกิดไฟย่อมไม่เกิดเพราะไม่มีคนทำให้เกิดก็ถ้าไฟจะพึงเข้าไปอยู่ภายในไม้แห้งและไม้สดป่าทั้งหมดในโลกก็จะพึงแห้งไปและไม้แห้งก็จะพึงลุกโผล่ขึ้นได้เองถ้าคนเลี้ยงดูไฟที่มีเปลวควันกาลังส่องแสงอยู่ให้เผากินไม้และหญ้าชื่อว่าได้ทาบุญ คนเผาทานคนต้มเกลือพ่อครัวและคนเผาศพก็ชื่อว่าพึงได้ทำบุญด้วยถ้าหาพรามเหล่านี้ทำบุญได้เพราะเลี้ยงไฟด้วยการเรียนมนเพราะเลี้ยงไฟให้อิ่มน้ำคนบางคนในโลกนี้ผู้เอาเชื้อไฟให้ไฟเผาไหม้ก็ไม่ชื่อว่าได้ทำบุญอย่างไรเล่าแน่พ่อลิ้นสองแฉกเพราะเหตุไรเพราะไฟเป็นสิ่งที่โลกยำเกรง พึงกินได้ทั้งของที่มีกลิ่นไม่น่าพอใจคนเป็นอันมากไม่ชอบและของที่พวกมนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ประเสริฐนั้นความจริงคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาส่วนพวกมีลักขะนับถือน้ำเป็นเทวดาคนทั้งหมดนี้กล่าวเทจไฟและน้ำไม่ใช่เทพเจ้าตนใดตนหนึ่งชาวโลกบำเรอไฟที่ไม่มีอินทรีย์ไม่มีกายที่จะรับรู้สึกได้ส่องแสงสว่าง เป็นเครื่องทำการงานของประชาชนเมื่อยังทำบาปกรรมอยู่จะพึงถึงสุคติได้อย่างไรพวกพราหมูกต้องการเลี้ยงชีวิตของตนในโลกนี้กล่าวว่าพระพรหมครอบเงอนได้ทั้งหมดและว่าพระพรหมบำเรอไฟเมื่อพระพรหมมีอนุภาพและมีอานาจทุกสิ่งทำไมจึงไม่สร้างตนเองแต่กลับมาไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นคำของพวกพรามหมณ่าหัวเราะเยาะ ไม่ควรสวดไม่เป็นความจริงพราหม์เหล่านั้นเรียกเหล่าคำเทจไว้ก่อนเพราะเหตุแห่งสักระพราหม์เหล่านั้นเมื่อลาบสักระยังไม่ปรากฏขึ้นก็ร้อยกรองยันที่ชื่อว่าสันติธรรมโยงเข้ากับการฆ่าสัตว์บูชายันพวกพราหม์ถือการสาธยายมนพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ยึดเกษตรกรรมและพวกสูตรยึดการรับใช้ วันณะทั้งสี่นี้เข้าถึงการงานตามที่อ้างมาแต่ละอย่างกล่าวกันว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจได้สร้างขึ้นไว้ถ้าคำนี้จะพึงเป็นคำจริงเหมือนที่พวกพราหมณ์ได้กล่าวไว้ผู้ที่ไม่ใช่กษัตริย์ก็ไม่พึงได้ราชสมบัติผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ก็ไม่พึงศึกษามนุ์คนนอกจากแพทย์ก็ไม่พึงทำเกษตรกรรมและพวกสูตรก็ไม่พึงพ้นจากการรับใช้ผู้อื่น แต่เพราะคำนี้ไม่จริงเป็นคำเท็จฉะนั้นพวกคนเหล่านี้จึงกล่าวเท็จทั้งนั้นเพราะเห็นแก่ท้องพวกคนมีปัญญาน้อยย่อมเชื่อถือคำนั้นพวกบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นคำนั้นด้วยตนเองเพราะพวกกษัตริย์ย่อมเก็บภาษีอากรจากพวกแพทย์พวกพรามก็ถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์ เพราะเหตุไรพระพรหมจึงไม่บันดาลโลกที่ปั่นปนแตกต่างกันเช่นนั้นให้เที่ยงตรงเสียเล่าเพราะถ้าพระพรหมเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเป็นเจ้าชีวิตของหมูสัตว์เพราะเหตุไรจึงทำโลกทั้งปวงให้มีทุกข์เพราะเหตุไรจึงไม่บันดาลโลกทั้งปวงให้มีแต่ความสุขเพราะถ้าพระพรหมนั้นเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเป็นเจ้าชีวิตของหมูสัตว์เพราะเหตุไรจึงชักจูงให้โลกทาแต่ความพินาศโดยไม่เป็นธรรม เช่นมีมายาพูดเท็จและมัวเมาเล่าอริ t ะเพราะถ้าพระพรหมนั้นเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์แต่เป็นเจ้าชีวิตที่ไม่ชอบธรมเมื่อธรรมีอยู่ก็ไม่จัดตั้งธรมกลับจัดตั้งอธรรมตักะแตนผีเสือ้องูแมลงผู้นอนและแมะลงวันใครฆ่าแล้วย่อมบริสุทธิ์ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมของอนาธยชน ซึ่งเป็นธรรมที่ผิดของชาวกัมพูชาจำนวนมากก็ถ้าคนฆ่าผู้อื่นจะบริสุทธิ์ได้แม้คนผู้ถูกฆ่าก็เข้าถึงแดนสวรรค์ได้พวกพราหมณ์ก็ควรฆ่าพวกพราหมณ์และพวกคนที่เชื่อพราหมณ์เหล่านั้นด้วยพวกเนื้อปสุสสตว์และโคแต่และพวกไม่ได้อ่อนวอนเพื่อฆ่าตนเองเลยล้วนแต่ดิ้นรนต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ คนทั้งหลายย่อมนำสัตว์และปะศุสัตว์เข้าผูกไว้ที่เสายันพวกคนพาลยื่นหน้าพูดนำไปที่เสาบูชายันซึ่งเป็นที่ผูกสัตว์ด้วยการพรรณนาอย่างวิจิตว่าเสายันนี้จะให้สิ่งที่น่าใคร่แก่เจ้าในโลกอื่นในสัมปรายภพแน่นอนถ้าบุคคลจะพึงได้แก้วมณีสังแก้วมุกดาเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองที่เสายันทั้งที่ไม้แห้งและไม้สด ถ้าเสายันจะพึงให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างในไตรทิพย์ได้หมู่พราหมณ์นผู้เชี่ยวชาญในไตรเพศเท่านั้นจึงควรบูชายันผู้ไม่ใช่พราหมณ์ก็ไม่ควรให้พราหมณ์บูชายันให้เลยแก้วมณีสังแก้วมุกดาเข้าเปลือกซับเงินทองจกมีที่เสายันที่ไม้แห้งและไม้สดที่ไหนเสายันจะพึงให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงในไตรทิพย์ที่ไหนเล่า พราหม์เหล่านั้นเป็นผู้โอ้อวดหยาบช้าโง่เขลาโลภจัดยื่นปากพูดนำไปด้วยการพนันนาอย่างหยดย้อยต่างๆว่าจงรับเอาไฟไปจงให้ซับแก่เราแต่นั้นท่านจะมีความสุขในสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงพวกพราหม์พาคนเข้าไปโรงบูชาไฟแล้วต่างก็ยื่นหน้าพูดนำไปด้วยการพนันนาอย่างวิจิตต่างๆให้เขาโกนผมโกนหนวดและตัดเล็บ ยังซับของเขาให้สิ้นไปด้วยเวททั้งหลายผู้พรามผู้หลอกลวงแอบหลอกลวงได้คนหนึ่งก็มาประชุมกินกันเป็นอันมากเหมือนฝูงกาตอมนกเขาหลอกเอาจนเกลี้ยงแล้วเก็บไว้ที่บริเวณบูชายันผู้พรามรวมผู้นั้นได้คนหนึ่งอย่างนี้แล้วก็พากันมาเป็นอันมากใช้ความพยายามแล้วพยายามอีกล่อหลอกพนานาสิ่งที่มองไม่เห็น ปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปเหมือนพวกราชบุรุษที่พระราชาสอนสั่งให้เก็บสวยถือเอาทรัพย์ของพระราชาไปอริ t ะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเหมือนโจรไม่ใช่สัตบุรุษเป็นผู้ควรจะฆ่าเสียแต่ไม่มีใครฆ่าในโลกพวกพราหมณ์กล่าวว่าไม้ทองหลางเป็นแขนขวาของพระอินทจึงตัดเอาไม้ทองหลางมาใช้ในยันนี้หากคำนั้นเป็นจริงพระอินก็แขนขาด เพราะเหตุไรพระอินชนะพวกอสูรด้วยกำลังแขนนั้นได้หากคำนั้นแหละเป็นเท็จพระอิน์ก็ยังมีอวัยวะสมบูรณ์เป็นเทวดาชั้นดีเยี่ยมไม่มีใครฆ่าแต่กำจัดพวกอสูรได้มนของพรามเหล่านี้เปล่าประโยชน์นี้เป็นการลวงกันที่เห็นอยู่ในโลกนี้ภูเขามาลาคีรีก็ดีภูเขาหิมพานก็ดีภูเขาคิจกูฏก็ดี ภูเขาสุทัศนก็ดีภูเขานิสพะก็ดีภูเขากากะเวรุก็ดีภูเขาเหล่านี้และภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้สร้างไว้ชนทั้งหลายกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันเอาอีกเช่นใดมาสร้างภูเขาอีกเช่นนั้นไม่ใช่ภูเขาภูเขาเป็นอย่างหนึ่งไม่หวั่นไหวเห็นได้ชัดว่าเป็นหิน ผูเขาไม่ใช่อิดแต่เป็นหินมานานแล้วเหล็กและโลหะย่อมไม่เกิดในอิดนั้นแต่เขาจะพนานาถึงยันนี้จึงกล่าวว่าพวกพรามผู้บูชายันได้สร้างไว้ชนทั้งหลายเรียกพรามถือการสาธยายเวทผู้เข้าถึงคุณแห่งมนผู้มีตะบะในโลกนี้ว่าผู้ประกอบในการอ้อนวอนมหาสมุทซั์ท่วมพรามนั้นผู้กาลังตระเตรมน้าอยู่ที่ฝั่งสมุดเพราะฉะนั้น น้ำในสมุทรจึงดื่มไม่ได้แม่น้ำพัดพาเอาพรามผู้จบพระเวททรงมนเกินกว่าพันคนไปน้ำมีรสไม่เสียมิใช่หรือเพราะเหตุไรมหาสมุทรที่กว้างใหญ่จึงดื่มไม่ได้บอ่อน้ำเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกมนุษย์นี้ที่พวกขุดบ่อขุดไว้เกิดเป็นน้ำเค็มได้แต่ไม่ใช่เค็มเพราะท่วมพรามตายน้าในบอ่อเหล่านั้นดื่มไม่ได้ณนะพ่อลิ้นสองแฉก เมื่อก่อนครั้งต้นกับใครเป็นพัญญาของใครใจให้มนุษย์เกิดก่อนแม้โดยธรรมดานั้นไม่มีใครเลวกว่าใครมาแต่กำเนิดท่านกล่าวจำแนกส่วนของสัตว์ไว้แม้อย่างนี้แม้บุตรของคนจันทานก็เรียนพระเวทสวดมนต์ได้เป็นคนฉลาดมีความคิดศีรษะของเขาจะไม่พึงแตกเจ็ดเสียงมนเหล่านี้พวกพรามแต่งขึ้นไว้ฆ่าตน มนเหล่านี้พวกพรามแต่งขึ้นด้วยวาจาแต่งขึ้นและยึดถือไว้ด้วยความโลภเข้าถึงท่วงทํานองของพวกพรามนักแต่งกาบยากที่จะปรดเปลื้องได้จิตของพวกคนโง่ตั้งอยู่ด้วยอาการที่ไม่สม่าเสมอคนไม่มีปัญญาจึงหลงเชื่อคำนั้นพรามหามีกําลังเยี่ยงลูกผู้ชายดุกําลังของราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไหมความเป็นมนุษย์ของพรามเหล่านั้น พึงเห็นเหมือนของโคแต่ชาติพราหมเหล่านั้นมีลักษณะไม่เสมอก็ถ้าพระราชาปกครองแผ่นดินพร้อมทั้งอมาตคู่ชีพและราชบริษัทผู้รับพระราชองค์การทรงชำนะหมู่ศัตรูลำพังพระองค์เองประชาราก์ของพระองค์นั้นก็จะพึงมีสุขอยู่เป็นนิดมวลของกษัตริย์และไตรเพศเหล่านี้มีความหมายเท่ากันถ้าไม่วินิจฉัยความแห่งมวและไตรเพศนั้นก็ไม่รู้ได้ เหมือนทางที่ถูกน้ำท่วมมนของกษัตริย์และไตรเพศเหล่านี้มีความหมายเท่ากันมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศทั้งหมดทีเดียวเป็นธรรมดาของวันณะสี่นั้นผู้ข้าพดีใช้คนเป็นจำนวนมากให้ทำงานบนแผ่นดินเพราะเหตุแห่งทรัพย์และเข้าเปลือกชั้นใดแม้หมู่พรามผู้ทรงไตรเพศก็ฉันนั้นย่อมใช้คนเป็นจานวนมากให้ทางานบนแผ่นดินในวันนี้ พรามเหล่านี้ก็เหมือนกับพวกขหาบดีต่างมีความขนขวายประกอบในการมคุณเป็นนิดย่อมใช้คนเป็นจำนวนมากให้ทำการงานบนแผ่นดินแน่พอลิ้นสองแฉกเพราะฉะนั้นพรามเหล่านั้นจึงไร้ปัญญาพระเจ้าสาระพรมทั์ทูลถามพระบิดาผู้เป็นดาบดว่ากระบวนกลองตะโพนสังบันเดาะและมโหระทึกนำหน้าใครมา ยังพระราชาผู้จอมทัพให้ทรงร่าเริงใครมีสีหน้าสุขใสด้วยกรอบอุณหิตทองที่ติดอยู่ชายหน้าผากอันหนามีประกายดังสายฟ้าใครยังหนุ่มแน่นสวมสอดแล่งธนูรุ่งเรืองด้วยสิริเดินมาใครมีพักเปล่งปลั่งดังทองเหมือนฐานเพลิงไม้ตะเคียนที่ลุกโชนอยู่ที่ปากเบ้ารุ่งเรืองไปด้วยสิริมาอยู่ ใครมีฉัตรทองชมพูนดพร้อมทั้งสี่ที่น่าพึงใจสำหรับใช้กันแสงดวงอาทิตย์ใครรุ่งเรืองไปด้วยสิริมาอยู่ใครมีปัญญาประเสริฐมีพัฒวาละวีชนีอย่างดีเยี่ยมที่บุคคลประคองไว้บนเสียงทั้งสองข้างใครถือกำหางนกยูงอันวิจิตอ่อนสลวยมีด้ามล้วนแล้วด้วยทองและแก้วมณีเที่ยวไปมาผ่านหน้าทั้งสองข้าง ใครมีต้มหูอันกลมเกลียงเหล่านี้ซึ่งมีประกายดังสีฐานเพลิงไม้ตะเคียนซึ่งลุกโชนอยู่ที่ปากเบ้างดงามข้างหน้าทั้งสองข้างใครมีปลายผมอ่อนสวยดำสนิทเห็นปานนี้ถูกลมพัดสะบัดพลิ้วอยู่เหมือนสายฟ้าพุ่งขึ้นจากท้องฟ้าทําให้ใชายหน้าผากงดงามอยู่ใครมีในตาทั้งสองข้างกว้างและใหญ่มีเนตรกว้างงดงาม มีพักผ่องใสดุจคันช่องทองใครมีฟันเหล่านี้เกิดที่ปากงามหมดจดดุจสังอันขาวผ่องเมื่อพูดย่อมงามดังดอกมณฑาลกตูงใครมีมือและเท้าทั้งสองข้างมีสีเหมือนน้ำครั่งรักษาได้ง่ายมีริมฝีปากแดงดังผลตำลึงสุกเปลง่งแปลงดัง ด, ง, ดงอาทิตย์ในเวลากลางวันเขาเป็นใครห่มผ้าปาวาระขนสัตว์ขาวสะอาด ดังต้นสาละใหญ่มีดอกบานสะพรั่งข้างหิมะวันตะบรรพศในฤดูหิมะตกงามดังดวงจันทร์ได้ชัยชนะเขาเป็นใครนั่งอยู่ในถ้ำกลางบริษัทสพายดาบอันวิจิตด้วยด้ามแก้วมณีล้อมสะพรั่งไปด้วยลายทองเขาเป็นใครสวมรองเท้าที่งคลิปด้วยทองงดงามเย็บวิจิตสำเร็จเรียบร้อยดีข้าพเจ้านมสักการแด่พระมเหสี พระดาบวรกล่าวว่านาคที่มาเหล่านั้นเป็นนาคที่มีฤทธิ์มียศเป็นลูกของเท้าทัตราฐะเกิดจากนางสมุทชานาคเหล่านี้ต่างก็มีฤทธิ์มากผู้ริทัตาชาดกที่หจบ